พระพุทธเจ้าบอกว่าอาจารย์ของเราไม่มีบุคคลเช่นกับเราก็ไม่มีบุคคลที่เสมอเหมือนเราก็ไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าว่างั้นนะเพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาไม่มีศาสดาใดที่จะยิ่งกว่าเราเราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้สงบดับกิเลสได้สนิทแล้วแล้วก็บอกว่าเราจะไปแฝนกาสีนะเพื่อประกาศ ธรรมจักเราจะลั่นกองอมตะในโลกที่มืดเพื่อให้เราสัตว์ทั้งหลายได้ธรรมจักสุขพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้านะเรียกว่าอมตะทุนทุพีเนะี่ยแปลว่ากองอมตะธรรมกองอมตะธรรมเพราะกระทาการประกาศเป็นต้นเนะ่เพื่อการบรรลุอมตะธรรมของเวนไนยสัตว์ทั้งหลายมีอาธิบายว่าเราจะไปด้วยตั้งใจว่าเราจะตีกองอมตะธรรมนั้นเพื่อการได้ธรรมจักสุข ไปเพื่อจะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทำมาจักสูนเนี่ยเราจะลั่นกองอวมตะรมวงเัินน่งประการต่อมาก็คือว่าความว่าท่านควรเป็นแม้อนันตชินผู้ชนะหาที่สุดมีได้พระผู้มีภาคใดมีพยาณาหาที่สุดมิได้มีกิเลสอันชนะแล้วเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีนามว่าอนันตชินที่จริงใช้คําว่าอนันตชินะผู้มีพยานณนหาที่สุดมิได้และผู้ชนะนั่นเอง อุปการเรียกพระพุทธเจ้าอุโสเป็นได้เหมือนอย่างนั่นเชียวบอกว่าถ้าหากบอกว่าในรัตนะคือนามากายลูปกาศชื่อเห็นปานนี้ก็ข้อที่ว่าเป็นปัจจัยเพื่อเพื่อการบรรพชาของอุปการนั้นเพื่อว่าอุปการชิวกนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่ทําไว้จริงพระพุทธเจ้าเสด็จพุท ธ, ธเดินเนินไปด้วยพระบาทเพื่อทรงจะโปรดเนี่ยพบกับอุปการใช่ไหมแล้วก็หลีกไป ลักษณะอย่างนั้นการกระทําในลักษณะอุปการบอกว่าดูก่อนท่านภู้มีอายุท่านควรจะชนะหาที่สุดมิได้เหมือนอย่างที่ท่านปฏิญญานั่นแหละดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ชนเหล่าใดบรรลุถึงซึ่งธรรมเป็นที่สิ้นไปของอาสวะได้ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะแล้วดูก่อนอุปการบาปประทรมทั้งหลายเราชนะได้แล้ว เ, เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้นะอุปการจึงพูดขึ้นว่า เป็นให้พอเถิดท่านว่างนั้นนี่อุปการนะ์เนี่ยบอกว่าเป็นนห้พอเถิดท่านสั่นศีรษะแล้วก็ยึดทางอื่นแล้วก็หลีกไปแสดงว่าอุปการ์ปางปุ๊บมือ <c oughs> ใช่ไหมลักษณะเพราะทําไมอุปการ์พูดอย่างนั้นเพราะอุปการ์อุปการ์ไม่เชื่อเพราะพระเจ้าบอกเราเป็นผู้ครอบงํำทำทั้งปวงรู้ทำอันเป็นอันตราไม่ฉาบทาแล้วในทำทั้งปวงละทำมันเป็นไปในภูมิทั้งสามได้หมดใช่ไหม คนแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาเราตัดทะรู้ยิ่งแล้วจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีชนคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มีเขาบอกว่าคนที่จะเสมอเราด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุติคุณเนี่ยมันหาไม่ได้อะที่จริงพระพุทธเจ้าพูดจริงๆเนียในโลกพร้อมกับเทวโลกเพราะเราเป็นพระอรหันในโลกเราเป็นาศาสดาอื่นยิ่งกว่ า, าศาสตาเป็นาศ า, าสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้เย็นใจดับกิเลสได้แล้วจักไปแฝงกาสีเพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไปเราจะตีกองอามาตะธรรมในโลกที่มืดเพื่อยังจักนั้นใ้เห็นธรรมะจักสูนเนี่ยนะอุปการว่าดูก่อนอาวุโสท่านปฏิญญาโดยประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะหาที่สุดมิได้โดยประการนะั้นคนแปลกอย่างนะคนบางคนเนี่ยเวลาตั้งใจจะไปตําหนิพระพุทธเจ้าพอไปเห็นพระพุทธเจ้าพูดส่งเสริมพระพุทธเจ้าทุกคน เออนี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบุญของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยนะถ้าใครมีตั้งใจจะมาด่าเราเนี่ยไอ้ตั้งใจไว้ไ น, น้อยๆนะ่ะด่ามากกว่าตั้งใจเอะกันนะแสดงว่ า, าบาปเรานี่เยอะเนี่ยให้สังเกตตัวมนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอย่างนั้นเลยนะพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยกลับมองตรงกันข้ามเลยไอ้ที่จะด่าก็หมดด่าแถมยังศรัทธาก็เป็นอย่างนี้เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงพร้อมด้วยสิ้นในอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราดูก่อนอุปการเราชนะทำอันลามกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อุปการก็ทูลว่าพึงเป็นผู้ชนะเถะิดท่านผู้มีอายุดังนี้แล้วก็สั่นศีรษะแล้วก็แยกทางหรือไปพึงเป็นผู้ชนะเถะิดท่านผู้มีอายุาแบบนี้แล้วก็สั่นศีรษะแล้วก็ไป ที่ตรงนี้เรโอ้ยขยายกันใหญ่ขยายว่าในที่สุดผมว่าบางพวกก็บอกว่าเป็นรัฐทีรัฐทีฐหนึ่งในปัจจุบันนี้มีแถวที่เบ็ถือการเคารพ้วยการแลบลิ้นถ้าใครแลบลิ้นยาวก็ถือว่าเคารพมากเลยใช้การแลบลิ้นเป็นการแสดงความเคารพกันออปกาก็แลบลิ้นขอเล่าออปปากันี้ดนึงโอปปากันหลีกไปแล้วน่ยต่อมาก็ไปยังตำบลนนวางกหาระละชนบท วังกะหาระชนบทเนี่ยนะณวังกะหาระชนบทนั้ น, ะ น, น, น, นอุปการก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านของพรานเนื้อแห่งหนึ่งทำนักอยู่กับหัวหน้าพผานเนื้อหัวหน้าพผานเนื้อนั้นก็บํารุงอุปการชีวกนั้นใช่ไหมแล้วในชนบทนั้นอนะ่ะมีมแมลงดุร้ายมากมีพวกสัตว์เป็นพวกมแมลงเลยดุดังนั้นอนะ่ะเขาจึงให้อาชีวกนี่นะให้อุปการ์ชีวกเนี่ยในพรานเนี่ยให้อาชีวกมาอยู่ในตุ่มใบหนึ่ง ก็คือให้ไปซ่อนตัวอยู่ในตุ่มเพื่อจะได้กันแมลงได้เพราะอุปการเป็นนักบวชประเภทหนึ่งเหมือนกันถือการบวชผานเนื้ออยู่ต่อมาในผานเนื้อเนี่ยก็บอกอุปการว่าตนเองนี่กจะไปล่าเนื้อจะไปหาเนื้อหาผักอะไรเงี้ยนะจะไปหลายวันว่างั้นนะก็เลยสั่งทิดาของตนเองในดีกาบอกว่าชื่อว่าจําชื่อว่าจาปาทิดาเนี่ย คําว่าจาปาเนี่ยเป็นชื่อของแหลงธนูนะว่แปลตามฉบับพามา่าทนาวาเนี่แปลว่าเรือใช่ไหมถ้าจาปาเนี่ยแปลว่าแหลง่งแหลงแหลงธนูไอแหลงธนูก็คือที่ใส่ลูกธนูอะลูกสาวซื่อจาปาแต่วสินอินทศลาเอามาเขียนว่าชื่อสุชาวดีเปลี่ยนจากจาปาเนี่ยเป็นสุชาวดีใช่เลยก็บอกว่าเจ้าจงอย่าประมาทในพระอรหันต์ของเราบอกงั้นนะ ก็แสดงว่าสำคัญว่าอุปกาศ์นี่เป็นพระอาหารหันต์ใช่ไหมแล้วก็ไปกับลูกๆแล้วกับพี่น้องนางจาปานั้นเป็นทิดาของนายพานเนื้อเป็นคนสวยมากหน้าดูหน้าชมถึงพร้อมด้วยส่วนสัตว์ต่างๆสรุปแล้วก็คือว่าส่วนสัตว์ดีว่างั้นเดอคนที่หลงไหลในส่วนสัตว์นี่ต้องเจริญอสุภะประเภทไหนสบที่สอบที่อืดขึ้นมาแล้วสองสามวันเนี่ยนอุดทัมาตะกังอสุภะ เรียนม่ชิมัโทต้องตรงนี้ไม่ได้แล้วลําบากใจเหนกันนะเนื่องอุทูหมาตะการสุภสัโศบที่พองขึ้นนะจนไม่มีรูปองค์รูปเอวรูปอะไรแล้ววะมัน เ, เพราะว่าถ้าหากไปพิจารณาอย่างนั้นแล้วเนะียใครที่หลงไหลในสวดทรงความเว้าความงามต่างๆหายไปหมดเลยเนะียห <c oughs> ายไปหมดเพราะมันไม่มีเว้าไม่มีรูปทรงรูปอะไรเขาให้ไปพิจารณาสอบประเภทนะอะคนบางคนชอบตอนไหนรู้ไห ชอบคนงามๆตอนเยี้ยงย่างใช่ไหถ้าไปละพวกมีราคาประเภทนี้นะมีราคาเห็นว่าคนนั้นยืนก็งามเดินก็งามนั่งก็งามนอนก็งามเนะี่ยถ้ามีราคาประเภทนี้ก็ให้ไปพิจรารณาศพที่ถูกขาไปทางหัวไปทางแขนไปทางไปดูศพประเภทนี้แล้วก็จะละราคาประเภทนี้ดัส่วนคนบางคนนะมีราคาประเภทนั้นไหม ชอบชมตัวเองอเรานี่มีกายหอมเนะกินกายแล้วก็หอมอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ให้ไปพิจารณาศพประเภทปรุรวกะอสุภะศพที่มีนอนชอนใช้เต็มไปหมดเลยจะได้มเอาคนที่ชอบเครื่องประดับอะชอบใส่เครื่องประดับชอบแต่งตัวชอบอะไรต่างๆก็ให้ไปพิจารณาโลหิตกะอสุภะศพที่มีเลือดไหลอาบเต็มตัวเนียเลยดูท่านสอนไว้หมดเลยนะแต่ที่อุปกรารไม่ได้พิจารณาอสุภะ เสียหายเลยเนี่ยพอลุ่งอารุณเนี่ยนะอุปกาเนี่ยก็ได้มายังเรือนแล้วก็เห็นนางธาริกานั้นรับใช้ทุกอย่างรับอาหารอังคาดอาหารไม่ได้พิจารณาอสุภะก็เปิดออกมาแล้วก็มาบินตะบาดก็ธรรมดาเนี่ยอถูกราค้าครอบงำไม่อาจแม้จะฉันอาหารได้โอ้โหตอนนี้ขนาดหนักเลย ได้นําพัตนาหารนั้นน่ะไปด้วยภาชนะไปยังที่อยู่แล้วก็เก็บพัตนาหานั้นไว้นั่นส่วนข้างหนึ่งก็คิดว่านอนร้องครางเลยเอาอาหารวางกันไว้ก็ละเมออยู่งั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้นางจะปาเนี่นะก็จะมีชีวิตอยู่ว่างั้นถ้าได้ถึงจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้จะยอมตายแล้วก็อดอาหารเลยวันที่หนึ่งวันที่สองคิดอย่างงั้ ถ้าได้นางคนเนี้ยถึงจะมีชีวิตยอยู่ถ้าไม่ได้ก็ให้มันตายไปซะเลยเท็ดนะทีนี้พอวันที่เจ็ดนี่นะพอในวันที่เจ็ดใช่ไหมในวันที่เจ็ดในพานเนื้อกลับมาก็ถามความเป็นไปของอุปการกับทิดานางก็บอกว่ามาวันเดียวแล้วพ่ อ, อ, อว่างั้นนะพ่อหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยไม่เห็นหน้าอีกเลยว่างั้นในพานเนื้อก็บอกเอา้าเออก็ก็ ก็ตอบว่าเดยลูกทําไมไม่ไปดูอะไรต่างตัวนี้นก็เลยรีบไปที่ตุ่มเลยนะพานเนื้อนั้นก็เข้าไปหาอุปกาในที <Okay. S 1> ่เข้าไปก็สอบถามดูแล้วก็ไปในแล้วก็รูปขามเท้าทั้งสองถามว่าพระคุณเจ้าไม่สบายไปรื้อถามเงี้ยนะอุปกาทอดถอนหายใจพลิกไปพลิกมาอยู่พานเนื้อก็กล่าวา ว, ว่านะิมนต์บอกเลยครับอกงั้นสิ่งใดที่กระผมอาจจะทําได้กระผมทําถวายทั้งหมด คือตถ้าอุปกาก็ตอบว่าถ้าอาตมาได้นางจ่าปานะก็จะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้อาตมาตายซะเลยดีกว่าห <c oughs> ัขนาดนั้นเลยพานเนื้อถามว่าพระคุณเจ้าก็รับพระคุณเจ้ารู้ศิลปะวิทยาอะไรบ้างอาตมาไม่รู้อะอชีวกีตอบหนะึ่งบอกว่าพระคุณเจ้าก็รับว่าผู้ไม่รู้ศิลปะอะไรไม่สามารถจะคลองเรือนคลองเจ้าคลองเรือนได้ในพานก็กล่าวใช่ไหม อุปการก็บอกว่าอาตมาไม่รู้ศิลปะแต่ว่าอาตมาจะขออาสาหาเนื้อให้ท่านแล้วก็ขายเนื้อให้ <c oughs> ในายพานก็บอกว่าไงรู้ไหมข้อนี้อย่างเดียวพวกเราก็พอใจแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ดแล้วก็ให้ผ้าห่มนำไปยังเรือนแล้วก็ยกทิดาให้เลยนี่นะเรายางรัดรัดเนี่ยยยกทิดาให้ อาศัยการอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองก็เกิดบุตรชายขึ้นคนหนึ่งตั้งชื่อว่าสุพัทธ์สรุปแล้วรักหรือไม่รักอยู่ด้วยกันก็มีลูกเขาว่างนนั้นน่ะมีลูกมีลูกอยู่คนหนึ่งชื่อสุพัทธ์เขาไม่ได้บอกไว้ทีนี้ไม่ใช่ในเวลาสุภัทธ์นั้นร้องไห้นางเจปาก็ได้พูดเป็นต้นว่า เนี่ยลูกคนหาบเนื้อว่าเงี้ยนะก็พูดเยอะอยันเนะี่ยเจ้าอย่าร้องไห้นะไอ้ลูกคนหาบเนื้ออะไรเงี้ยนะพูดอย่างเงนะี้ยเนี่ยเจ้าอย่าร้องไห้นะเป็นต้นยันอุปการด้วยเพลงกล่อมลูกก็หาเพลงกล่อมลูกมาสารพัดนะเพราะคนไม่มีศิลปะเขาดูถูกเขาแต่นี้อุปการก็พูดว่าเน่นางพูดจำเริศเหนืองี้ยนะ <c oughs> ก็บอกว่าเ <c oughs> จ้าอย่าดูถูกว่าเราเป็นคนไร้ที่พึ่งนะว่าเงั้นะ ต่อมาอุปกาก็เลยไปถามว่านี่นางผู้เจริญท่านอย่าว่าเราเนะว่าเราเป็นคนไร้ที่พึ่งเรามีสหายชื่อว่าอนันตชินนะเรามีสหายชื่อว่าอนันตชินนะเราจักไปสู่สำนักของพระองค์นางจรปารู้ว่าอุปการนี้อึดอัดด้วยการอาการอย่างนี้จึงพูดอยู่บ่อยๆคือคือพูดอย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆแท้จริงคือไม่รัก ตนเองไม่รักไม่รักคนคนนี้พอรู้ว่าอุปกาคู่ใช่ไหมเราไม่ใช่คนไร้ที่พึ่งเรามีที่พึ่งเรามีสหายเชื่อนั้นได้ชิมนางก็เลยยิ่งพูดบ่อยเลย <c oughs> ยิ่งบูดบ่อยเลยเนี่ย <c oughs> ในที่สุดจริงๆเนะี่ยอุปการนั้นไม่ได้บอกลาก็มุ่งหน้าไปยังมัชิมประเทศมีอยู่วันหนึ่งนะพระบรมศาสดาประทรับที่เชตวันใกล้สาวัตถี พระพุทธเจ้าก็รับสั่งบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันนี้เนี่ยถ้ามีผู้ใดถามว่าอนันท่านทั้งหลายรู้จักอนันตชินไหมพวกเธอจงสแสดงแก่ผู้นั้นแล้วก็พามาหาเราอุปกาศถามเรื่อยมาอนันตชินอยู่ไหนมาสู่กรุงสาวัตถียืนท่ามกลางวิหารถามว่าอนันตชินอยู่ไหนภิกษุเหล่านั้นเน่ก็พากัน นำอุปการเข้าเฝ้าพราะบรมศาสดาอุปการนั้นบอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเนี่ยอุปการ้องไห้นะเนี่ยพระพเจ้าทักเดียวอุปการ์เนี่ยตั้งแต่จากกันนะที่ตรงนั้นน่ยเธอไปทําอะไรมา <c oughs> คนเราเนี่ยโหจะจําได้ขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยอุปการเราจําได้พระพุทธเจ้าตรัสบอกบอกเธอไปทําอะไรอุปการบอุปการ พระพุทธเจ้าตัสบอกบอกว่าอุปกาเธอแก่ไปแล้วจะสามารถบวชได้หรืออุปกาอุปกาก็บอกก่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์จักบวชพระพุทธเจ้าข่าในที่สุดจริงๆพระพุทธเจ้าก็บวชให้แล้วแล้วก็ให้กรรมฐานแกเธอเธอทำกรรมฐานแล้วตั้งอยู่ในอนาคามีผลนะเป็นพระอนาคามมรณาภาพแล้วไปเกิดในชั้นอวิหารสุทาวาสนะ และได้บรูลเป็นพระละหันในขณะที่บังเกิดขึ้นนั่นเองในในบรรดาเจ็ดคนนั้นนะ่ะนะิกษูเจ็ดลูกผู้เข้าถึงพรหมโลกนะั้นในชั้นอวิหารเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีราคาตัวสามโมหะแล้วข้ามจากเครื่องกั้นของโลกได้คือท่านอุปกาท่านปรักคันทะท่านปกปกุสานะแล้วก็ท่านพัทิยะท่านขัตทะเทวะ แล้วก็พาหูทันตีท่านปิงคียะรวมเป็นเจ็ดท่านนะท่านเหล่านี้ร้ากายมนุษย์แล้วก็ถึงทิพปยปโยคได้นี่ลักษณะอย่างนี้ก็ถึงบอกนี่ประวัติของอุปกานะที่เล่าในดีกาท่านเล่าไว้เพียงแค่นี้แต่ในปัจจุบันเขาก็ไปแต่งกันแล้วก็ใช้สำนวนเอาไปอ่านโอ้สนุกสนานกันไปอเอาเป็นเรื่องเป็นราว่ากันไปแต่ด้วยใจความก็เนี้ยโดยสรุปก็คือว่าศึกตอนแก่ กลับมาบวชใหม่บวชเก็กตอนแก่สิได้ลูกคนหนึ่งแล้วก็หนีมาบวชโอ้โหได้ได้อย่างอุปการก็บุญแล้วเป็นพระอรหั น, น์นะก็ทุกวันนี้บรรลุปเป็นพระอรหันไปแล้วห้ามดูถูกเด็ดขาดนะดูถูกพระริยาเป็นโทษทีเอาต่อไปนะต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาเห็นปัญญวัคีทั้งห้าแต่ที่ไกลจึงนัดหมายเออปัญญวัคีทั้งหเห็นพระบรมศาสดาแต่ที่ไกลก็นัดหมายกันนะนะ คือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จโดยลำดับถึงป่ายสิปัตนามฤกธายวันแฝงเมืองพราราณสีเสด็จไปยังทางสำนักของปัญญวคีปัญญวคีได้เห็นพระบระมา ศ, า ศ, าศาสดาสเสด็จมาแต่ไกลก็ได้นัดหมายกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคโดมนี้เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆ ก, กำลังสเสด็จมาวัางั้นพวกเราไม่พึงอภิวาสไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับ แล้วก็คือไม่พึงรับบาจีวรของพระบรมศ า, ศาสดาอของพระองค์นะว่างั้นแต่พึงวางอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาจักประทับนั่งคันพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จเข้าไปถึงปัญจวัคคีปัญจวัคคีไม่ตั้งอยู่ในกาติกาของตนเห็นไหมเนี่ยนี่คนมีบุญเป็นอย่างไงใช่ถ้าเรามันเป็นอย่างนี้นะว่าคนบางคนเนี่ยมีบุญมากเคยทําแบบนี้ให้กับคนอื่นมาเยอะหมดในในอดีตที่ผ่านมา พระเจ้าทำบุญประเภทนี้ไว้เยอะถ้าใครเห็นทนไม่ได้ที่จะไม่แม้แต่เดรถถัถีเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องวางอาสนะให้สูงกว่าแล้วก็ต้อนรับพระพุทธเจ้าด้วยฐานะอันควรทันดีอย่างเราเาเนี่ยไปที่ไหนก็มันมั น, ม, นมันเหงาเนะถ้าไปทางถิ่นที่ไม่มีใครรู้จักด้วยแล้วเนี่เสียหายเลยเนีย่นี่คนบุญน้อยเป็นแบบนี้ทำเข้าไว้ต้อนรับครับให้สังเกตดูในพระเนี่ยที่เขารู้อยู่ไนเนีย ถ้าเห็นมีพระเถระมีพระอะไรมาต่างท่านจะรีบต้อนรับเัยทีท่านทําวัดของท่านท่านได้บุญอย่างใหญ่หลวงนะนะถ้าท่านยังไม่พ้นไปจากสังสารวัดเนี่ยท่านจกไปหน้าที่ไหนก็จะได้รับการเชื้อเชิญได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างพวกเราเหมือนกันถ้ามีพระมีใครต่างๆไปบ้านไปอะไรต่างเนี่ยนะทําให้เต็มดีอันนี้เรื่องจริงหรือคนที่มีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเคารพนับถือนะ นั่นแหละก็ทําให้ไม่อันควรหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะได้ฐานะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อย่างสบายสายเลยเห็นไหมขนาดตั้งกติกากันไว้แล้วเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาตรรับจีวรของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะอีกรูปหนึ่งจัดหาน้ําล้างพระบาทอีกรูปหนึ่งก็ตั้งต่างรองเท้าพระบาทอีกรูปหนึ่งก็นํากระเบื้องมาเช็ดพระบาทถวาย พระผู้มีภาคเจ้านั่งณอาสนะที่ปัญจวัคคีจัดถวายแล้วก็ทรงล้างพระบาทฝ่าย ป, ปัญจวัคคีเรียกพระผู้มีภาคเจ้าโดยระบุพระนามและใช้คําว่าอาวุโสเมื่อปัญจวัคคีกล่าวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามปัญจวัคคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกแต่ถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คําว่าอาวุโส ดูก่อนวิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหรันตตระรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสังส่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุณะบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ พระเจ้าห้ามทันทีเห็นไหมบอกปัญจวัคคีเนี่ ย, ยพระเจ้าว่าพุทธคําว่าอาวุโสเนี่ยกล่าวเป็นคําว่าพระโคโดมก็ดีคําว่าอาวุโสก็ดีเนี่ยดูก่อนอาวุโสโคโดมพวกเธอถืออบาจีวรของท่านเที่ยวไปในการที่ทรงบำเพ็ญเพียรนณนตบวนอุโรเวลาได้ถวายนะโอดไม่ชําระฟันกดัดทีอาศัยอยู่ภายหลงังใคร่ได้กระทําวัดปฏิบัติแก่ท่านเมื่อเราหลีกไปแล้วท่านไม่ได้คิดถึงดอกหรือ ลักษณะถ้าถ้ามองในลักษณะอย่างนี้นะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เบ็เสร็จเมื่อพระบรมศาสดาตัดอย่างนี้ปัญญวคกีได้ทูลกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าอาวุโสโคดมเนี่ยเรียกแบบนี้เลยเสียหายมากอาวุโสโคดมนี่นะแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกกิริยานั้นอันพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอนุตรนตรสัมมาสัมปวรรณ น, นะนะ ความเป็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัด น, นี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆากชไหนจักบรรลุอุตตริมนุสธรรมละโอ้เงินอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์ตรัสอย่างนี้แล้วพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่คนมากมากเนะไม่ได้เป็นคนคลายความเพียนไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันตตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่ช้านักเท่าไรเราจักให้แจ้งซึ่งคุณนันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากบวชจากเกือนเป็นผู้ไม่มีเรือนบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม่ครั้งที่สองแม่ครั้งที่สพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะ ที่ปัญหาว่าพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาบอกโดยใจความเออเนี่ยเรามาในกลางคืนกลางคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่หยุดเนีกลางวันก็ไม่หยุดเดินมาสิบแปดโยชนี่โดยโดยใจความเนี่ยถ้าพูดกันตถาคตเดินมาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอีสิบปดโยชนี่ยนะเพื่อจะส่งข้อพวกเธอในความเพียรณตําบลอุลุเวลาเสนานิคมไม่ใช่เพื่อกสันนะได้กระทําการ เปล่งถ้อยคำํำลายๆเห็นปานนี้ว่าดูก่อนอุโสบอกในการก่อนเนี่ยเราได้เปล่งไหมพวกเธออย่าคาดคิดเอาว่าเราจับไปหนะ้าที่ใดที่หนึ่งโอภาสหรือนิมิตกรรมฐานย่อมปรากฏแก่เราดังนี้บ้างไหมคือในการก่อนเนี่ยนะเคยพูดคํานี้ไหมว่าเราได้นิมิตเราได้กรรมฐานเราได้สมถะได้วิปัสนาเนี่ยนะพระปัญจวัคคีนั้นได้สติได้บทเดียวเท่านั้นเกิดความเคารพเชื่อว่า พระสมณะโคโดมนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้กราบทูลว่าคํานี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถให้ปัญญวัคียินยอมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสามารถให้ปัญญวัคีนะั่นเราเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมได้ตั้งจิตคือนําจิตไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อบรุเป็นพระอาหารเนี่ยถ้าถ้ามองอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแค่ไปหาปัญญวัคคี พอปัญญวัคคีเนี่ยอยู่กับพระเจ้าตั้งหปีใช่ปีเนี่ยเห็นทมทุกรกิรยาเนี่ยมาตั้งเป็นเวลา6ปีเนี่ยว่าคำนี้ไม่เคยฟังเล ย, เยพอลักษณะอย่างนี้ก็เริ่มแล้วคำสั่งสอนจกแสดงตามพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่ช้าสักเท่าไหร่จกได้บรรลุเนี่ยนะแล้วในที่สุดจริงๆเ่ยปัญจวัคคีนั้นเน่ย ก็เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เงียบโสดศสดึกก็ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้นี่มีลักษณะนี่โดยใจความนะจากตัสรู้แล้วก็มาถึงปลายสุดปัฒนามฤึกกัายวันแฝงเมืองพลานาสีนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นใจความก่อนที่พระบรมศาสดาแ ส, สดงธรรมจากขปวัตนสูตรพอมา ถ, ถึงตอนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีไม่มีมีไหมไม่มีนะพอไม่มีเนี่ยนะ ไปดูในธรรมจักรคถาในปฏิสัมพิธามาคาถาที่ว่าโดยธรรมจักรกระเพราชนะสูตร้คําว่าธรรมจักรนี่แปลว่าอะไรก็จะพูดถึงธรรมจักรเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังดีกนนว่านะคําว่าธรรมจักรจริงๆท่านขยายไว้ตอนท้ายขยายคําว่าธรรมจักรคําว่าธรรมะกับคำว่าจักรนี่ท่านแยกศัพท์กันนะในธรรมจักรกระเพราชนะสูตรโดยใจความเนี่ยนะในบาลีในธรรมจักรกระเพนะสูตร ในวินัยปิดกและก็ในสังยุตตานิกายแล้วก็ในปฏิสัมพิธามัคที่ตลัสธรรมจักกับวัตนสูตรมาถึงตอนนี้แสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยสามารถทําให้ปัญจวัคคีนั้นเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงจะแสดงตามบาลีให้ดูก่อนนีในบาลีธรรมจักกับวัตนสูตรเนี่ยแบ่งออกเป็นยี่สบเกตอนนะแบ่งออกทั้งหมดยี่สบเกตอน พระโลกนาถผู้อันท้ามหาพรหมน้ำว่าสามบดีทูลขอเพื่อจักลงแสดงสัจธรรมนะจึงทรงสดแสดงพระสูตรซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐแก่ปัญจวัคคีภิกษุซึ่งบรรดาลผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงพระนิพพานนับป่าิสิ ป, ปัจนามรรคธายวันเนี่ยนะเราทั้งหลายจงพร้อมใจกันเจริญพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรอันบรรดาลสมบัติทั้งปวงให้ให้สมบัติทั้งปวงให้สาเร็จได้ การแบ่งบาลีธรรมจักรกปวัตนสูตรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น29ตอนตอนแรกเนี่ยว่าในเรื่องของนิทานพจน์ถ้าดูในในหนังสือนั้นด้วยก็จะเห็นคําว่านิทานนิทานธรรมจักรที่เรียกว่านิทานวัจนะนี่นะคือตอนที่หนึ่งที่เรียกว่านิทานพศเนี่ยนะที่มาจากคาว่าเอวังเมสุตังเอกังสมยังภควาพารานสยังวิหารติอิสิปตเนมิกทาเยตาตะโคภควาปัญจวัคคียภบิคูอามันเตสิ อันนี้คือตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสูตรนี้ข้าพระเจ้าผู้มีชื่อว่าพระอานุน์ได้สดับมาแล้วด้วยอาการอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณป่าอิสิปตนามฤคธายวันใกล้เมืองพราราณสีในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุปัญจวคีและทรงแสดงปฐมเทศนาเนี่ยนั่นมาจากกระปรัสูตรว่าเนี่ยอันนี้เป็นนิทานพจน์หรือนิทานวัจะนะเริ่มต้น เป็นการกล่าวเหตุเบื้องต้นพอมาที่สองตอนที่สองกล่าวถึงธรรมที่ต่ำซามและที่สุดสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือเรื่องทางสุดต่งสองทางนั่นเองบาลีก็คือทเวเมพิกเวอันตาปปัจจิเตนะนเสวิตภากตเมทเวโยตอนที่สองเนะี่ยตอนที่สอง ตอนที่สองนี่แสดงทางสุดตรงสองทางก็โดยใจความตรงนี้ก็ว่าดูก่อนพิกูุทั้งหลายที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพอย่างไหนเล่าเนี่ยการประกอบตัวให้ติดแน่นในการมาสุขเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวเยวจะสาธยายบาลีให้ฟังแล้วจะให้แยกเป็นตอนๆให้เข้าใจนะจะได้เข้าใจเวลาเราสวดเราสาธยายกันเนี่ยนี่ตอนที่สองเพราะตอนที่สาม เป็นปฏิบัตาเครื่องปฏิบัติอันเป็นมัชฌิมาปฏิบัตานะคือทางสายกลางนี่นะบาลีใช้คําว่าเอเตโคพิกเวอุโพอันเตอโนปะคามามัชฌิมาปฏิบัตารตะทาคเตนาวิสัมบุตตาจักุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมโพทายนิพานายาสังวัติอันนี้ตรัสถึงทางทางสายกลางเนะืแล้วก็ปฏิบัตาที่เป็นทางสายกลางเลยแล้วก็ตัดยาวเลยตรงเนี้ย กตมาจะสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมโพธายนิพานญาสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังกิโกมาโคเสยญะทีทางสัมมาติิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาดิอยามโคสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญานกรณี อุปสมายาพิญญายาสัมโพธา ย, ยานิพานา ย, ยาสังวรติอันนี้เป็นทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์นี่นะประเด็นตรงนี้แต่โดยอันนี้อยู่อยู่ในบาลีตอนที่สตอนที่4ตอนที่สี่เนี่ยตรัสถึงทุกขสัจจะมาจากคำว่าอีทางอีทางโคปนาพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติบิทุขาชาลาปิทุขาพยาภิ ทุโคมรดนามปีทุกขังอภิเยหีสัมบโยโคทุโคปิเยวโยโคทุโขยามปิชังในลาปฏิตามปีทุกขังสังกิเตนาปัญจุปาธารคขันดาดุกขาเห็นไหมนี่บาลีตอนที่สตัดถึงทุกขสัจจะคือตอนเนี้เทบายอริยสัจและตอนเนี้เข้าถึงทุกขสัจเพราะตอนที่หตัดถึงสมุทัยสัจจะ อีทางโคปนาพิกเวทุขสมุทยาสัจจังอริยาอย่างตันหาโบโนภวิกานันติราคสกตาตตระตตระพินันทินีเสรยัธิทางกามาตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาเห็นไหมอันนี้ตัดถึงสมุทยาสัจจะตอนที่หตรัสถึงนิโรธาสัจจะอีทางโคปนาพิกเวทุคเนโรโทอริยาสัจจังโยตสาวตันหายาเสสะเวราคเนโรโทจาโกปตินิสโคมุติอนารโย นี่นะพอตอนที่เจ็ดตัดถึงมรรคสัจจะอีทางโคโปนาปิกเวทุกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์อาญเมวอาริโยอัฐังกิโกมัคโคเส ย, ย่าทีทางนะฮะสา ม, มาทิตีิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาดีนี่นะนี่ตัดมรรคอาริมมมยมรรคในงแปด ตอนที่8ตรัสถึงส e ัจญาณในทุกขะอริยสัจเห็นไอีทางโทขังอริยสัจจันติเมีภิกเวภปุเพอนันโสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุตตบารทิยานังอุตตบาริปัญญาอุตตบารทิวิชาอุตตบาริอาโลโกอุตตบารดีนี่ตรัสถึงสัจญาณในทุกขะสัจตอนที่9ตรัสถึงกิจญาณในทุกขะสัจตังโคปีทางโทขังอริยสัจจังปิญเยยนติเมภิกเวภพอนนสุเตสุธมเมสุจักขุงอุตตบาริ ยานังอุทบาติปัญญาอุทบาติวิชาอุทบาติอาโลโกอุตบาติเห็นไหมอุดบาลีไปด้วยตอนที่สิบตัดถึงกัตยานในทุกขสัตตตังโคปนิทางทูกขังเรียสัจจังปริญญาตันติเมปิกเวปุปิอนันโตเตสุตัมเมสุจากุงอุทบาติญานังอุทบาติปัญญาอุทบาติวิชาอุทบาติอาโลโกอุทบาตินี่นะตอนที่สิบเอ็ดัสถึงสัจยานในสมุทัยสัจจะ อีทางทูขสมุทยาสัจจังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทบารียานังอุทบารีปัญญาอุทบารีวิชาอุทบารีอาโลโกอุทบารีตอนที่สิบสองตรัสถึงกิจยานในสมุทยาสัจจ์ตังโคปนิทางทูคสมุทยางอริยสัจจังปหัตพันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทบารียานังอุทบาติปัญญาอุตบารีวิชาอุทบารีอาโลโกอุทบารี ตอนที่13ตรัสถึงกตัตยานในสมุทัยสัจจ์ตังโคปณีทาง ท, u, ทุกขสมุทัยสัจจังอริยังปญญานติเมพิกเวยปุปเปนนุสุเตสุทำเมสุจักคุงอุทบาติยาณังอุทบาติปัญญาอุทบาติวิชาอุทบาติอาโลโกอุทบาติตอนที่14ตรัสถึงสัจญานในนิโรธสัจจ์อีทางทุกขนิโรธาอริยสัจจันติเมพิกเวยปุปเปนุสุเตสุทำเมสุ แล้วก็จะมาเหมือนกันจักขุงอุทตบาติญานังอุทตบาติปัญญาอุตตบาติปัญญาอุตตบาติวิชาอุทตบาติอาโลโกอุตตบาติสิบตรัสถึงกิจยานในนิโรธาสัจจะตังโคปณีทางทุกขานิโรธังอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันนสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทตบาติญานังอุทตบาติปัญญาอุทตบาติวิชาุตบาติอาโลโกอุตตบาติสิบ ตัดถึงกัตยานในนิโรธสัจจะตังโขปณีทางทุคนิโรทางอริยสัจจังสัจฉิกันติเมพิกเวปุเพานันโสุเตสุธรมเมสุจักุ้งปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิสเจตัดถึงสัจญานในมรรคสัอีทางทุคณิโรธคาินีปฏิบัตอริยสัจจังเมพิกเวปุเพานันโสุเตสุธรมเมสุจักขุ้งอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิ สิบแตัดถึงกิจยานในมรรคสัจเห็นไหมครับในมรรคสัจตังโคปฏิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรียสจังภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพานันโสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตบาทิญานงอุตบาทิปัญญาอุตบาทิวิชชาวอุตบาทิอาโลโกุตบาทิ19บเตัดถึงกัตยานในมรรคสัจตังโคปฏิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรียสจัง พาวิตันติเมภิกขุยปุเพอ น, นันตุสตเสุธรรมเมสุจักขุงอุทบาธิยานังอุทบาธิปัญญาอุตบาธิวิชาอุตบ า, าธิอาโลโกทบาธิ <Ą WA> พอยี่สิบเนี่ยการยังไม่รับรองตอนก่อนที่ยังก่อนที่ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านีถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ได้ตัดรู้อริยสัจเนี่ยก็ยังไม่รับรองว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้านี่คือตอนที่ยี่สิบเนี่ยตอนที่ยี่ส <c oughs> <ligne. S 2> ิบเยเพราะว่ายังไม่รับรองก่อนความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ย นี้มาจากคำว่ายาวกีวันจ ะ, มะเมเอภิเควิเมสุจะตูสุอริยสัจจุเอวันตีปริวตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัตสนังนสสวิตสุตังอโหสิเนวตาวหังภิกเเวสเดวเกโรเกสมารเกสะพระมเกสะสมณพระมณียาปชายาสเตวโนสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงห์่สิบเอรับรองความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ รับลองตอนที่ตัตทรูยะโตจะโคเมพิกเวเมสุเจตูสุอริยาสเจตุอริยาสเจเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอถาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสะพรมเกสัตสัมนาพระมณีญาปชายะสเทวมนุตสาญาณุตรังสัมาสำโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยี่สิบส จัดเป็นการรู้เห็นด้วยปัจเจเวคขณะยานนะยานันจะปันเมทัศนังอุทปาทิอากุปปาเมอคำว่าอากุปปาเมเนวิมุตติญาเนี่ยคือว่าการบรรลุของพุทธเจ้าไม่กลับมากําเริบอีกนะอกุปปาเมออยมันติมาชาตินัตถิธานิบุณพโวติ23ปัญญวัคคีทั้ง5รูปพากันชื่นชมในรถพระธรรม ธ ร, รมโวจะภะวาอัตมนาปัญญากิยาภิกขูภะวาโตภาสิตังอภินันทุนติเห็นไหมชื่นชมยี่สบสี่พระโกนทัญญาได้เป็นพระโสดาบันอิมาสมินจะพนาเวยา ก, การณาสมิงพัญญมาเนยยสมันโตโกนธัญยาสวิรชังวีธรรมดังธรรมจักขุงอุตบาดียังกินจิสมุทญาธรรมบงสัพพันตังนิโรธธรรมมันติยี 25, ่สิบห้าเทพและพรหมพากันยินดีก็ป่าประกาศกันต่อไป ปวัตเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสาธมนุสาเวสุงเอรามภควาตาพารานาสือยงังอิสิปตนีมิกระทายนตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวติยังสมเนนาวาพระมเนนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนจิวาโรโอกาสมินตีแล้วกับภุมานางเทวานางว่าไปตามลำดับยาวเลยนะในนี้นะไปจนถึงยี่สิบหกยี่สิสี่ยี่สิบสี่โกนธัญญะได้เป็นพระสวสดาบันตอนไหน มาสมิ่นจ่ปัาวยยกรณาสมิงพัญญมัามานีอายาสมันโตแล้วก็ไล่ไปตามลำดับเลยนะ2ี่นี่ยาวมากมปปาทุกภูมิเลยไล่ลตั้งแต่ภูมิมานางเทวานางไปจนถึงไปจนถึงไปจนถึงอิตธิหะเตะนะคเนนะเตนะมเยนเตะนะโมหเตนะยาวอะพรมมโรโกาสะทวอพุคขจินะี่ิหมื่นโลกธาตุก็วันไหว เริ่มตั้งแต่อายันจะท่าสาสหสีโลกทาตุสังกา ม, ม, มปีสัมปะกามปีสัมปเวทิอ ป, ปมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวันตินี่หมื่นโลกทาตวันไหวยีหมื่นโลกทาตวันไหวไงยียงไม่ใช่อายันจะอายันจะท่าสาสหสีโลกทาตุกึ่งหมื่นนะท่าสาสหศีนี่ก็แปลว่าหมื่นโลกทาต โลกธทาตัวเรียนบาลียังนับสังขยาไม่ได้หมื่นโลกระธาสันสะเทือนทั่วไปพอยี่สิบเจ็ดมีแสงสว่างได้ปรากฏทั่วไปอัอปมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรมมวาเทวานางเทวานุภาวันติแสงสว่างอันหาประมาณมีได้แสงสว่างยี่สิบหกหมืนยี่บเจ็ด 28พระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งอุทานวาจา29นี่นะอตะาตโคภะกวาอิ ม, มังอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวะโพคนธัญโยัญญาศิวะตโพอันนี้พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานวาจาแล้วยี่สิบเก้โคนธัญญาได้รับบรรพชาอุปสมบทอาตโคอายาสมาัญญาสิโคนธัญโยทิฏฐธรรมโม ปัตตาธรรมโมวิทิตาธรรมโมโไม่มีในนั้นในคำสวดเพราะนี้นี้ไม่กล่าวไว้สามสิบก็คือสามสิบก็คือพระผู้ให้ภาคเจ้าจงตัดบอกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทามันเรากล่วกาวดีแล้วเธอจงประพฤติพมจรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเอหีภิกขุอุปสมทาได้เป็นการอุปสมบทของโกณทัญญานี่ยเอาต่อไปดูใจความตัวนี้ดูแปลแปลสักหน่อย ให้มันจบๆหน่อยตรงนี้อันนี้บอกตอนของบาลีด้วยเราจะได้เข้าใจเนื้อหาของบาลีด้วยตอนแรกเนี่ยนะในพระสูตรนี้การแปลต่างกันแต่โดยใจความไม่ต่างเอาใจความตรงนี้ก่อนว่าทเวเมเิกเวอันตาดูก่อนบิกษุทั้งหลายตอนสองเลยนะถ้าหากว่าสมัยหนึ่งตรงเนี้ยถ้าอธิบายตรงนี้ก็ยาวเลยแล้วเคยอธิบายมาเยอะแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จนภาอิสิปตนะมฤเกกทายาวันใกล้เมืองพระราณษีในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุปัญญวคีและทรงเทศนาตามจักกับปวัตตนสูตรว่าทเวเมพิกเวอันตาปปะจิเตนะเซลตาพาเนดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้อันบันบิชิตไม่ควรสิสองอย่างนั้นอย่างไรเล่า2 อ, อย่างนั้นก็คือการประกอบตนให้ติดแน่นในการมาสุขในกามทั้งหลาย เออตรงนี้คําแปลหลายๆแ ห, ห่งจะต่างกันนะเขาบอกว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเนี่ยนะยานในส่วนเบื้องต้นยานในส่วนเบื้องปลายที่พระสุรเสียงตึกกล้องเป็นในการเสมอกันในการเป่งนะบทนี้เนี่ยฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากกับประวัตนาสูตรเนี่ยเบื้องต่ําถึงเอเวจีมหานรกเนะเบื้องบนถึงวภวกระพุนมแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุอยู่ด้วยอํานาจของพุทธานุภาพ ในครั้งนั้นถ้าเราลงอเวทีอยู่เราก็ได้ยินนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจักรกับพระวันนัสูตรเนี่ยเราฟังนี้น่าตื่นเต้นไหมถ้ามีอัธยาศมีบุญญาธิการมาดีพอสมควรก็หลุดได้หน่อย <คน S 1> อาศัยง <คน S 1> ั้นงั้นบุคคลที่ได้บรรลุเออได้ <คน S 1> แล้วก็จนบึงถึงเพราะว่พรมแพร่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุนในสมัยนั้นเทีวพรมทั้งหลายมีจานวน18กดก ผู้มีกุศลลมูลแก่กล้าแล้วได้กระทําบุญญาธิการไว้เพื่อตัสรู้สัจจะนะได้มาประชุมพร้อมกันพระอาทิตย์ได้อัดสดงณนะทิศประจิมนะพระจันทร์ก็เต็มดวงประกอบด้วยอาสาหฤาทได้โผล่ขึ้นที่ทิศประจิมนี่นะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มธรรมจักกับประวัตนาสูตรก็ตรัสบาลีว่าทเวเมพิกเวอันตานี่ตรัสในลักษณะนี้แล้วในบทนี้บอกว่าทเวเมพิกเวอันตาเนี่ยนะที่สุดสองอย่างนี่นะ ปัปชิเตะนะนาเสวิตาภาปัปพชิเตนะคือบุคคลผู้ตัดเครื่องผูกคือเรือนเข้าถึงการบรรพชาปัปพชิเตนะเนี่ยผู้ตัดเครื่องผูกยอมตัดได้อย่างอย่างนี้ถือว่าตัดเครื่องผูกได้อย่างเนี่ยตัดเครื่องผูกคือเรือนได้อย่างอย่างนี้อย่างนาะเสวิตพภาความไม่พึงใช้สอยคือไม่ประกอบไม่ใช้สอยไม่ประกอบ โยจายังกาเมสุกามาสุ ข, ขาริการโยโคการประกอบความสุขด้วยกิเลสกรรมในวัตถุกรรมทั้งหลายอธิบายว่ายังไงการเสวยอารมณ์ความสุขอันประกอบด้วยกิเลสกรรมนี้ใดคือเป็นของต่ำทรามไหมฮีโนเนี่เป็นของต่ำทรามคัมโมนี่ความเป็นของชาวบ้านเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเหล่านั้นเขาพึงเสพเขาพึงประพฤติกันถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่า การประกอบความสุขด้วยกิเลสกรรมในวัตถุกรรมเนี่ยให้สะเกตยดดูนะเช่นความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในบ้านในที่อยู่ในสิ่งของต่างๆเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสกรรมในวัตถุกรรมการสวยความสุขที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมนี้ใดอันนี้เรียกว่าฮีโนคือเป็นของต่ำซ้ำนะคัมโมเป็นของชาวบ้านเพราะอะไรจึงเป็นของชาวบ้าน เพราะชาวบ้านเขาประพฤติเขาซ่องเเสพกันปุตุชนิโกอันปุตุชนคือคนโง่เข่ามืดบอดเขาประพฤติกันมาว่าปุตตุชนคนมืดบอดทั้งหลายเขาก็ประพฤติกันมาในลักษณะอย่างนี้เอ๊ะทาไมถึงเรียกปุตุชนคือคนมืดบอดปุตุชนนี่พวกคนที่ยังกิเลสหนาให้เป็นใบใช่ไหมเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาบอกเขาประพฤติกันมาแบบนี้ความว่าไม่ประเสริฐคือไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่สูงสุดหรือไม่ใช่เป็นของพระอริยะทั้งหลาย อนาริโยเนี่ยแปลว่าไม่ประเสริฐอนาริโยเนี่ยนะไม่ประเสริฐในที่นั้นก็คือไม่บริสุทธิ์ไม่มีศีลวิสุทธิ์ที่ไม่มีจิตตวิสุทธิ์ที่ไม่มีปัญญาวิสุทธิ์เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์และไม่สูงสุดและก็ไม่ใช่เป็นของพระอริยะทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายท่านไม่ประพฤติกันแบบนั้นอนัตถสัทหิโตคือไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไอ้คาว่าไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์นี่คืออะไร ไม่อาศัยเหตุนามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตาถามว่าตาเนี่ยตาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตานั้นเสียตานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแต่ถ้าเรายินดีพอใจในตาเนี่ยแสดงว่าเราไปยินดีพอใจในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขโหโ่ะมีประโยชน์ไหม <c oughs> เป็นกรรมคุณเนี่ย เป็นวัตถุกรรมเมื่าหูเนี่ยหูอ่ะไอ้คำว่าตาคือจักขู่ตาเนื้อเนี่ยเป็นกรรมคุณเป็นวัตถุกรรมความยินดีพอใจในตาเป็นกิเลสกรรมไอ้ตัวหูหวงแหวนตลอดถึงไอ้ทาให้ได้ยินเป็นต้นในตัวโสตประสาทนั่นน่ะเป็นวัตถุกรรมความยินดีพอใจในหูเป็นกิเลสกรรมเนี่ยนะหูก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันตราคะคือความพอยินดีพอใจในหูเนั้นเสีย หนั้นนั่นเธอทั้งหลายละได้แล้วจับเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเขาให้ละฉันทลาค่านะจริงๆก็คือทําลายนั่นแหละถามว่าสมาทานเพื่อจะมีหูต่อไปในอนาคตหรือเปล่าเพื่อจะทําลายหูด้วยจมูกก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงละฉันทราค่าคือความยินดีพอใจในจมูกนั้นเสียจมูกนั้นนั่นเธอทั้งหลายละได้แล้วจับเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขใช่ไหมแทนถ้าเราไปยินดี พอใจในวัตถุกรรมคือจมูกอย่างนี้เป็นต้นเนี่นะตัวกิเลสการมไปยินดีปุ๊บเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเราเป็นอะไรเนี่ยในที่นี้นอนัตสานนิตโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขถ้าเรายังสมาทานที่จะมีตาหูจมูกเล่นกายใจสมาทานที่จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงให้เห็นชัดว่าเราสมาทานสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เพื่อความสุข เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขเลยเขาเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกมรณะทุกโสกาบาลีเทวทุกขโทมนะสาอุปายาตนะเนี่ยโดยใจความของ อ, อนัตตาสัญญโตนี่เป็นอย่างนี้ไม่ประกอบได้ประโยชน์เกือ้อกูลเนประการต่อมาอัตตกิลามธานุโยโคโทุกโคเนีการประกอบตัวเองให้ลำบากเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งทุกยังทุกให้เกิดขึ้นทุกโคเนี่ยนะนำมาซึ่งทุกโดยการเบียดเบียนตนมีการ อิงและการนอนบนหนังเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เป็นอัตตกิรมัฐานุโยกกามสุขขาริการุโยกอันนั้นก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งอัตตะกิรมัฐานุโยกก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งมัชชิมาปฏิปทาตัดหมายถึงอริยมรรคความจริงอริยมรรคท่านเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเพราะอะไรเพราะการมาสุขขาลิการุโยคก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งอัตตกิรมัฐานนุโยกก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่ง มักนั้นไม่เข้าถึงที่สุดทั้งสองอย่างนั้นพ้นแล้วจากส่วนทั้งสองจึงเชื่อวมาชิมาเพราะอยู่ใน่ามกลางส่วนทั้งสองนั้น <ไป S 1> ชื่อว่าปฏิปทาเพราะอันบุคคลผู้มีความต้องการจะสลัดออกจากวัฏจัทุกนั้นทั้งหลายพึงดำเนินไปเะนั้นเลยปัญหาคือว่าหนึ่งคำว่ามาชิมาเขาแปลว่ากลางนี่นะคาว่ากลางแปลว่าไม่เข้าถึงอตตา ก, กิรามาฐานโยกไม่เข้าถึง กามาสุขขาลิกานโยกนะอันนี้เขาเรียกว่ามัชชิมาส่วนปฏิปทานั้นเขาแปลว่าเป็นข้อปฏิบัติอันบุคคลผู้มีความต้องการจะสลัดออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายพึงดําเนินไปปฏิปทาต้องถามตนเองว่ามีปฏิปทานไหมมีไหมล่ะที่นั่งๆกันอยู่มีมีมัชชิมาปฏิปทานวหมล่ะถ้ามีมัชชิมาปฏิปทาก็ต้องไม่เข้าถึงที่สุดสองอย่างนั้น สการต่อมาโลภะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งโลภะนี่เป็นกามสุขาริการโยโยคนะโทสะเป็นอตตกิรามาฐานุโยคแล้วเราเข้าถึงโลภะไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีมัชฌิมาปฏิบัติไม่มีมัชฌิมาแล้วก็ไม่มีปฏิบัติด้วยคําว่ามัชฌิมาคํานึงนะก็ปฏิปทาปฏิบนะัตินรรมมัชฌิมาคือท่ามกลางใช่ไหม ไม่เข้าถึงโลภะไม่เข้าถึงโทสะจึงจะจัดว่าเป็นมัชิมาใช่ไมจึงเรียกว่ามัชชิมาใช่ไหมยอมเคยเกิดความโลภไหมยินดีพอใจเพิดเพลินในอารมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นต้นเนี่ยยินดีพอใจเพิดเพลินไหมถ้ายินดีพอใจและเพิดเพลินในขนาดนั้นเรียกว่ามีโลภะ<ล>เข้าถึงที่สุด<ล>อีกอย่างหนึ่ง เคยขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองวะอันนี้เข้าถึงที่สติกแล้วไม่มีมชิมาอีกแล้วและบุคคลเหล่านั้นเมื่อไม่มีมชิมาก็ชื่อว่าไม่เข้าถึงเพราะเป็นบุคคลผู้ไม่มีปฏิปทาคือไม่มีความต้องการจะออกจากวัฏทุกทั้งหลายแต่ถ้าหากมีปฏิปทาเพราะอันบุคคลผู้มีความต้องการจะสลัดตนออกจากวัฏทุกพึงดาเนินไป ต้องการจะสลดตัวเองออกจากชาติทุกชราทุกมรณะทุกโศกะปริเทวาทุกกระทมนา่าเสวยปายาตไหมถ้าต้องการจะสลัดตัวเองออกจากทุกก็ต้องมีมัชชิมาด้วยแล้วก็มีปฏิบัติานะประการต่อมาอุเฉ ท, ทะคือความเห็นว่าขาดศูนย์ก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งสัสตตติทิคือเห็นว่าเที่ยงก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งมัชชิมาปฏิบัตานั้นคือการไม่เข้าถึงที่สุดทั้งสองอย่างนั้น ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็